มารักถาว่าด้วยมันเรื่องส่งพระอาหารหันห์กสรูปไปประกาศศาสนาข้อ32ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งป่วงทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ สูจทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศโคมจรรันทร์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายมีทุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมจกมีผู้รู้ธรรมภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จกไปยังตำบลรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม